ตอนคิดใหม่เมื่อโลกเปลี่ยนวันที่30เมษายน2562ไม่กี่พันคนห7เจดพันตอนนี้เป็นหมื่นเพราะเขาไม่หยุดการพัฒนานะผู้บริหารที่มีวิชั่นเขาต้องรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วตอนนี้ระบบมหาวิลเลยในกำลังปรับตัวอยู่ถ้าไม่ปรับตัวก็ปิดตัวนะไม่มีคนเรียนละ เพราะต้นทุนการเรียนมันแลมันแพงมากแล้วก็บางคนมีเงินก็เรียนบางคนก็กู้หนี้ยืมสินไปเรียนจบแล้วก็ไม่มีงานทำนะเขาก็ไปยึดบ้านเราเขาก็ไปฟ้องลมละลายนะตอนนี้มันก็เลยเปลี่ยนนะวิทยาอเทคอนิเนี่ยจริงๆแล้วก็ทาทวีศึกษามาตั้งแต่ปี53านะก็89าปีนะแต่นี้พ อ, อ, อเขาบอกพวครูว่าทวิศึกษาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลก็คือว่า หน่วยงานองค์กรที่เราไปฝากไว้เขาคิดว่าเป็นนักเรียนเด็ ก, ดกนักเรียนนะเขาก็ก้าวล่วงมากไม่ได้นะโรงเรียนก็ไม่ได้ไปนั่งดูแลเด็กตลอดเวลานะแต่ทีนี้เขาก็คุยกันสุดท้ายก็ออกมารูปของสามมีที่พ่อกูบอกเมื่อวานนี่นะมีงานทำก็คือว่าเด็กจบปวชอปุ๊บหรือม .6 เขาก็รับนะ นะแต่ที่นี้ถ้าเ็าเลือกได้เขาเจปะปวชมหกเนี่ยเออก็ไปทางานทั่วไปแหะทีนี้ปวชเนี่ยเนื่องจากว่าการเรียนแบบปวชเนี่ยมันลงภาคปฏิบัติมากกว่าเด็กมีทักษะในการทำงานเราเรียนวิชาไหนก็ช่างวิทยาศาสตร์อะไรจบมาก็เพื่อไปทำงานนะอันนี้จริงๆแล้วชีวิตเมืองนอกพวกคูยอเมริกานั่นนะ่ะเขาทำมาตั้งนานแล้วละ่ะนะไม่ใช่ มันไม่มีกฎหมายอะไรนี่หรอกไู่ว่ากฎหมายเขากว้างมากเขาเปิดอิสระเด็กจบม .6 ไฮสคูลแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็หิ้วกระเป๋าออกไปใช้ชีวิตเองเป็นสิทธิของเขาแล้วเขาก็ไปหางานทำก่อนแต่ก่อนที่เขาจบม .6 เนี่ยเขาอยู่บ้านสมราะว่าอาทิตย์นี้เขาจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเขาเขาไม่แบงเงินขอพ่อแม่เขาถามว่ามมีมีอะไรให้เขาทำไมทีบมม่บ้านผาบอกมี คุณไปตัดหญ้าสี่ชั่วโมงวันเสาร์นี้แทนที่จะเอาเงินไปจ้างคนตัดหญ้าก็ลูกตัวเองตัดหญ้าในบ้านก็เอาเงินไปเขาก็เอาเงินตัวนี้ไปปาร์ตี้เอาเงินตัวนี้ไปซื้อเสื้องเกงยีนเด็กของเขาถึงแข็งแกร่งเขาทำงานเป็นตั้งแต่ยังไม่จบบ้านเราเรียนปริญญาตีมานี่ยซักผ้าไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นแล้วก็จบมาก็ไปฝึกงานเนี่ยตอนนี้องค์กรต่างๆเขาไม่ต้องการนะ มันก็เลยมาจบอยู่ที่ว่าเขารับปวชเลยนะปะวชปึ๊บไปทำงานกับเขาทีนี้ถ้าเราไม่จบปวชลูแค่มสามนี่ผิดกฎหมายในะวัยวุฒิก็ยังไม่ถึงนะก็เกี่ยวกับเรื่องวัยวุฒิด้วยเมื่อเราจบปวชแล้วเนี่ยนะนี่นะเขาเขียนว่าอย่างนี้นะเลือกโครงการสามสามมมีงานทำทันทีเลือกงานที่ชอบกับบริษัทที่ใช่ ได้งานได้เงินได้ได้เรียนกับสามมอนะบริษัทที่ใช่ทุกวันนี้ก็ใครว่าบริษัทที่เขามั่นคงแล้วเราสามารถต่อยอดตำแหน่งเราเนี่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตนะจากพนักงานธรรมดาเราไปฝึก ง, งานแล้วก็ได้เงินเดือนนะทีนี้พ่อครูให้ข้อคิดโรงเรียนเราเนี่ยวิยาลัยเราเนี่ยเนื่องจากเรามาทางอาหารนะเอาเรื่องอาหารให้มัน แบบสเปเชียลไหลเลยแค่ว่าเราก็พยายามหางานเลือกนที่ไหนก็ทำงานแต่เด็กเรานี่มีมีทักษะเรื่องพื้นฐานของทำอาหารใช้มีดเป็นหั่นผักเป็นทำขนมเค้กเป็นอะไรเนี่ยก็เลือกไอ้บริษัทที่คิดว่ามันทำเรื่องอาหารที่เมื่อกี้บอกมายเนอร์นะมเนอร์นี่เป็นบริษัทสากลระดับโลกเซนท่านเราคิดว่าใหญ่แล้วในเมืองไทยแต่ระดับแค่เมืองไทย นะเซนท่านเอาไปขายเสื้อผ้าเอาไปทํานว่นทํานี่นะแต่ว่าเขาก็มีส่วนที่เป็นอาหารก็คือไปทําเคก้กทําอะไรพวกนี้มีอยู่นะแต่พอ ก, กูเช็คแล้วเซนท่านเขาให้เงินเราไม่มากเขาเท่ากับพวกกลุ่มไมเนอร์พวกนี้นะไมเนอร์ minor, มีอะไรบ้างมีเดอะพิซซ่าคอฟฟี่คลับซิสเตอร์อ่าเซเว่นเซนเอ่อแล้วก็ทําไอติมอ่ ไอดีคิวนะเบดท็อกแล้วก็เบอร์เกอร์คิงแล้วก็ไทยเนี่ยร้านร้านอาหารไทยเขาก็มีนะแต่เขาเป็นสัวสากลเขามีหลายประเทศถ้าเราสามารถลักงานนี้เราสามารถไ ต, ต่เต้าไต่เต้าไต่เต้าคือไวแค่ปวชนเนี่ยเรามาทำธุรกิจเองไม่มีประสบการณ์มีโอกาสเรียนรู้กับเขาวางระบบ ระบบงานเขาเป็นระบบสากล น, นะเราเรียนรู้ถึงอยากให้ถึงขั้นผู้จัดการอย่างน้อยผู้จัดการสาขาเรื่องมเมเนจด้วยเรื่องเรื่องบริหารจัดการด้วยนะแล้วโปรแกรมบัญชีอะไรด้วยเนี่ยแล้วต่อไปถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะมาทำธุรกิจเราเองนะ่ะอันนั้นเราจะเกิดความมั่นคงนะเด็กๆ เ, เปิดใจลูก ก, กว้างๆเอาเป็นว่าที่เราเรียนทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่บางทีว่าไม่ใช่เรียนเพื่อจะเป็นอาชีพอย่างเดียว เรียนเพื่อฝึกให้เรามีทักษะชีวิตทักษะในการแก้ปัญหาทุกคนต้องมีอาชีพนะเรียนไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเรามีทักษะแม้กระทั่งเราจะมาบทชีนะบทภิกษุณีเนี่ยไปนิพพานเนี่ยทักษะที่เราเรียนมามันก็ฝึกขันติเห็นต้องมีศรัทธาแล้วก็เอาเครื่องมือนั้นมาส่งให้จิตเราเนี่ยไปสู่นิพพานก็ได้เนะเราอยู่ในวัยที่คิดว่าพ่อครูคิดว่า ข้ามผ้นชอบไม่ชอบนะฝึกแล้วก็วันก่อนแล้วก็พูดเรื่องแพทย์แผนไทยด้วยนะมันก็เป็นวิชาที่ต้องติดตัวเราเนี่ยเหมือนพยาบาลเบื้องต้นเห็นไหมญาติพี่น้องเพื่อนฝุงเราพี่น้องในบ้านเกิดเป็นอะไรามาเนี่ยเออเราก็รักษาเขาเป็นเบื้องต้นนวดอะไรนี่ก็เป็นวิชาที่ชีวิตเราต้องไปใช้แล้วก็ทักษะตรงนี้ต่อไปเนี่ยเราเลือกงานไหนก็ช่างมันไม่หายไปไหน มันจะอยู่เราตลอดมันจะเป็นทักษะชีวิตทำให้เราการทำงานคือการแก้ปัญหานะแล้วยุคนี้เนี่ยระบบที่ว่ามาขายวิชาเหมือนเก่าเนี่ยไปไม่รอดนะถ้าคุณครูที่โรงเรียนพลรานข่อยนะถ้าช่วยกันสนใจช่วยพายเรือลำนี้ไปเนี่ยนะเราจะเป็น E-Tech ในภาคอีสานก็ได้ e t e ท h เนี่ยเด็กไปเรียนที่ น, น, นู่นน่ครึ่งหนึ่งคนอีสาน เพราะว่าชนบุรีเนี่ยโรงงานมันเยอะจบแล้วเนี่ยหางานทำได้เลแล้วก็ผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็มีหลายบริษัทนะอย่างผู้ชายนี่ถ้าเซ็นท่านนี่มันจะมี ม, ม, ม, มีมีหลากหลายนสะ่วนมากก็ขายเสื้อผ้าขายอะไรนี่แล้วก็มีมีมีร้านขนมด้วยแต่ถ้าเป็นเนี่ยเเขาก็ระดับโลก นะมีทั่วโลกเราไปเรียนรู้ระบบบริหารจัดการพวกครูมีร้านอาหารไทยที่อเมริกาเราก็ทําแบบไทยๆต้องหาแม่ครัวเก่งๆจากเมืองไทยนะเพราะว่าเราจะเปิดหลายๆร้านเราจะแม่ครัวเก่งๆที่ไหนมาอาหารไทยต้องเขาเรียกว่าอาศัยความสามารถเฉพาะตัวชิมชิมชิมชิมชิมชิมชิ ม, ชมนะ พอถึงดึกๆมาปุ๊บเนี่อาหารเค็มหมดมันไม่มาตรฐานนะเห็นไหมพรากครูเกิดมาไม่เคยเป็นลูกน้องไข่นะออกจากไมอมีไปตะเวนทั่วสารัฐ่ไปทำงานนะไปทำงานอยู่ล้านฝรั่งนะโรงแรมชั้นหนึ่งก่อนที่น้องคีจะเกิดอยู่คีเวสเนี่ยพราคูทำงานสามจอบ อาทิตย์หนึ่งทำสามแห่งหยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์ครึ่งวันเท่านั้นเองนะพาแม่คีเนี่ยเขาไปกินปิ z z าอยู่ข้างทะเลนะอาทิตย์หนึ่งว่างครึ่งวันนะทีนี้แบ่งทํางานร้านญี่ปุ่นสามวันนะร้านเ อ, อ, อเมริกันนะสามครึ่งวันแล้วสามครึ่งวันนี่ก็ไปร้านอิตาลีพ่อครูไปเรียนรู้ระบบของเขาพอกับ มาปุ๊บเราผ่าตัดร้านอาหารไทยเราตอนนี้ร้านอาหารไทยเราไม่ต้องใช้แม่ครัวเก่งๆมันจะหาที่ไหนซัก็จะเปิดแพนชายเปิดเป็นอย่าง KFC นี่ก็มีทั่วโลกเขาจะหาคนเก่งไม่ต้องเก่งนะเขาทำสูตรสำเร็จหมดนะอย่างอาหารทะเลนี่ไม่ต้องเก่งนะขอให้อะขอให้สัตว์ทะเลมันมันสดมันอร่อยเพราะน้าจิ้มนะเราก็ทำโรงงานน้ำจิ้มเราเลย โชุบนะว่าเข้าผัดเอานิโกลเนี่ยมาผัดก็ได้ไม่ต้องชิมใครชิมโดนไล่ออกนะข้าวนี่เราตวงไงทุกออเดอร์เท่ากันหมดเห็นใส่ถ้วยนึ่งมาเห็นไหมเออออเดอร์นี้ไข่ฟองหนึ่งจะเป็นไก่หมูกุ้งอะไรเนี่ยตวงมาหมดนะตีลงไปผัดปุ๊บ น้ำจิ้มตัวเอาลงไปทุกออเดอร์เหมือนกันหมดกินกี่ปีกี่ชาติก็เหมือนกันหมดทีนี้คนมาเยอะๆมันก็เร็วไงนี่คือมันมา ต, มาตรฐานถ้าไม่ได้มาตรฐานแล้วเอามาชิมชิมแบบนี้นะพอคนเยอะหน่อยหนึง่งนั่งรอรอจนน้ําลายไหลจนโมโหหิวนี่นี่คืออาหารแบบที่เราทําทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสากลไม่ได้นั่นแหละเด็กๆต้องเรียนเรียนเบสิกพื้นฐานอาหารเนี่ย แล้วอยู่ที่ว่าเราก็ถามตัวเองด้วยเราชอบอาหารแนวไหนจบปวชวแล้วอย่าเพิ่งคิดไปทําเองเนี่ยเข้าโปรแกรมนี้ไปเรียนทักสองปีอย่างน้อยๆแล้วก็ต่อปวสไปด้วยนะเรียนทฤษฎีไปด้ว ย, นะ ย, วยแล้วก็ที่สําคัญคือภาคปฏิบัติเราจะได้เรียนดูระบบเขา เมื่อเราแข็งแกร่งแล้วเราคิดว่าเราจะมาทาธุรกิจเองก็มาคิดว่าไม่เราเก้าวหน้าอยู่แล้วเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการเขตดีไม่ดีเป็นผู้บริหารบริษัทเขาพวกนี้บทสเป็นบริษัทมหาชนนะมันใหญ่ระดับสากลชีวิตเราเก้าวหน้าได้แต่ถ้าเราใจร้อนออกไปไปเป็นกรรมกรแบกหามก่อสร้างปุ๊บกี่ปีกี่ปีก็อยู่ตรงนั้นมันไม่มีมันก้าวหน้าไม่ได้นะอันนี้ก็ จริงๆแล้วถ้าถามพ่อครูหรอกไม่ต้องไปนายอยู่ที่ศูนย์นี่แหละเวียงให้มันเป็นพระอรหันต์นะด็อกเตอร์ก็ต้องมาหาเรานะลูกแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนอยากก็ได้เราทําคู่กันไปลูกกําลังดูอยู่นะเวียงไปเวียงมาเราลดความอยากลดความอยากก็ไ ม, ม่มีพลังจะไปทํางานจะไปเรียนกูก็ไม่เอาแล้วเรากําลังหาความพอดีเพราะลูกหลานจะต้องอยู่ในสังคมนี้อนาคตก็ต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่เห็นไหมละ่ะเราเดินสายกลางลูก จิตล้วก็พัฒนาไปด้วยแต่เอาปัญญาที่เราเกิดจากจิตเนี่ยมาบวกกับองค์ความรู้เราเนี่ยมาทำอาชีพให้เรามั่นคงไม่เดือดร้อนนะแน่นอนเมื่อเขาทุกคนมีโอกาสอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วจะมีความรับผิดชอบแค่ไหนนะโรงเรียนเราเนี่ยเมื่อวานบอกว่มามัธยมปลายนะล้วอาจจะต้องยุบแต่ครูมัธยมปลายอย่าไปไหนนะ เด็กปวชยังต้องเรียนวิชาการอยู่สายสามันเนาะขอให้ช่วยกันพลิกอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเรามีโปรแกรมนี้ต่อ ย, ยอดบางคนอย่างพี่แพ็คพี่แบมเนี่ยม .6 ปีสุดท้ายนะนะถ้าพี่แบมไม่อยากไปไห น, นทำงานบริษัทศูนย์พลานค่อยเรียนออนไลน์กับอ e ีเทคก็ได้เงินเดือนเขาให้เท่าไหร่ที่นี้ก็ให้เท่านั้น นะแล้วก็ปฏิบัติทมด้วยอันนี้เราเลือกได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากไปหาประสบการณ์ข้างนอกนะมูลนิธิพลรานขอยจะไม่ปล่อยให้เราไปตามลำพังนะถ้าเกิดวิทยาลัยเราบอกว่าเออเรารวมกลุ่มกันได้สิบกว่าคนอะไรเนี่ยนะเขานัดวันเลยนะเขามีรถมารับที่นี่เลยนะ่ยเข้ากรุงเทพอ t e ท h จะดูแลเราทั้งหมดเลยทำไมอ e เทคเาทอย่างนี้ทาไม นักเรียนเขามากขึ้นเพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆถือว่าเราถอยหลังเพราะทุกคนแซงหน้าเราหมดอ t e ท h เขามายอมถอยหลังนะตอนนี้เขายิ่งเขาเจอโปรแกรมนี้เขายิ่งดีเลยเด็กไม่ต้องไปแอร์ในในวิทีอะไรเขาเรียนออนไลน์ทำไมทงานวิชาทำงานนั้นประสบการณ์ทางานได้คะแนนนะ คือท้าวิศึกษาที่เขาทํามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยได้ผลแต่หลังจากมอบให้เด็กไปทํางานเลยอันนี้เรียกว่าสามมีเนี่ยกลายเป็นพนัก ง, งานบริษัทแล้วต้องทําตามโปรซีเขาบริษัทเขาก็ต้องการให้ผลงานเขาดีเขาก็อบรมเด็กเราจัดอบรมเรื่อยๆยิ่งพัฒนาเราเรายิ่งได้ปวสพวกเขาก็ขึ้นเงินเดือนให้เรานะเขาไม่อยากให้เราหนีไปไหนเพราะว่าเรามีความชํานาญแล้วตําแหน่งเราก็ขึ้นไปอีก แล้วเราเรียนปริญญาตรีต่อเขาก็ส่งเราอีกสองปีตอนนี้ระดับเป็นผู้จัดการแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปทํางานที่ไหนเขาก็จะสอนเราอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่โปรแกรมมีเนื่องจากว่ารัฐบาลกระทรวงแรงงานเนี่ยเซ็น ส, สัญญากับ E ี EC ควิทยาลัยแล้วก็เซ็นสัญญากับบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะนะทีนี้ยักษ์ใหญ่เหล่านี้แน่นอนเขาต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพคุณภาพไม่ใช่เก่งวิชาการ คือคนที่มีความขยันมีความรับผิดชอบนะทุกวันนี้เด็กอยู่ประจำเราเนี่ยนะ เ, ออเด็กประถมไม่ต้องพูดถึงเด็กมัธยมเราเนี่ยบางคนนะไม่ยอมสักผ้ามักง่ายก็เอาไปยัดนนยัดนี่เห็นไมละ่ะถ้าแบบนี้เนี่ยเราไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่เอานะวิชาไหนก็ไม่สำคัญหรอกนะเราต้องเรียนรู้วิชาชีวิตฝึกให้เรามี ขยันนะประหยัดซื่อสั ต, ตย์กตัญญูอดทนมีวินยัยใฝ่เรียนรู้ถ้าคนฝ่ายเรียนรู้แล้วเขาจะไม่ขี้เกียจอุย้ยทํางานเหนื่อยแล้วกูจะเรียนอยีกแต่กูไม่เอาถ้าเราฝ่ายเรียนรู้เนี่ยทางานเหนื่อยแล้วก็มีความสุขเพราะเราพอใจเวลาว่างปึ๊บเราก็มาเรียนออนไลน์กับเขาน้อนานๆครั้งฉันต้องไปวิทยาลัยเนี่ยเขาก็มีรถมารับเราไปนะอย่างนี้เนี่ยแข็งแก่งนะ ไม่ใช่จบแล้วค่อยไปหางานทาอันนี้เนี่ยมีงานทาตั้งแต่ต้นเลยอันนี้สาคัญมากถ้าโรงเรียนเราการันตีนะรับรองว่าจบที่นี่มีงานทาทุกคนในวงเล็บถ้ามีความรับผิดชอบทุกคนจริงๆนะเราก็ประสานงานกับประสานทางอ t เทได้เพราะเราไม่มีปวสจริงจริงแล้วเราจำเป็นต้องเปิดไหมอนาคตค่อยมาว่ากันจริงๆแล้ว ถ้ามันเดินได้ไม่ต้องเปิดเขาพร้อมกว่าเราก็ให้เขาไปดูแลแค่เรามาฟูมฟักตั้งแต่อนุบาลจนถึงปวชนะนั่นแหละฝึกให้เขามีความรับผิดชอบแล้วลูกๆไม่ใช่อย่างนี้ตั้งโตขึ้นทุกวันนะเราก็ต้องต่อสู้ไปข้างนอกนะกมูลชีก็ยังอยู่พรา ก, กูจากไปแล้วมูลชีก็ยังอยู่นะคนรุ่นหลังก็ต้องทําต่อนะถึงเราต่อไปเราจะไปเรียน โปรแกรมสามมีเนี ouais? acho, um, level, ่ยก uh, ็เป็นหน้าที่มูลนิทิต้องติดตามนะดูว่าการเป็นอยู่เราเป็นยังไงเห็นไหมการเรียนเรามีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเราก็ไปดวกับถ้าเป็นโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นครื่องอเทคเขาเริ่มต้นนะมหวิทยาลัย e ีเทคนะอันนี้เขาระดับสากลนะนะเขามีทีมบอลเล่บอลนใครเล่นบอลเลบอลสามคนนี้ยกมือเออ เขามีทีมวอลเลย์บอลเนี่ได้แชมป์เอเชียเนี่ยสามปีแล้วนะส่วนปีนี้เขาแข่งพวกกูไม่ดูหรอกไม่นึกว่าตอนนี้ในเมืองไทยหลายจังหวัดก็มีวอลเลย์บอลอาชีพขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะอีเทคนิคเขามีทีมชาติไทยทั้งบักหลายคนเนาะแล้วก็ไปแข่งระดับต่างประเทศเขาก็เาก็ชนะคนอื่นเอาเป็นว่าโรงเรียนเขามีคุณภาพเขาทำมาสาสกว่าปีแต่เป็นสกว่าสิกว่าปีที่เขาพัฒนาตลอด นะเขาไม่อยู่เฉยๆถ้าเราอยู่เฉยๆเหมือนเราล้าหลังเราถอยหลังเพราะโลกมันก้าวไปเร็วมากนะอันนี้เราต้องรู้เท่าทันส่วนให้สามมีเนี่ยมันเริ่มต้นคือจริงๆก็เพิ่งปีที่แล้วนะเป็นสัญญาระหว่างอีเทคแล้วก็กระทรวงแรงงานกับ แล้วก็แล้วก็บริษัทห้างร้านใหญ่ๆนะจะเป็นพวกเครือเซนทานแล้วก็มเนอร์ที่พวกคูบอกมเนอร์นี่เอาอาหารอย่างเดียวนะอาหารอย่างเดียวแล้วก็ไปสู่สากลหลายประเทศนะแล้วก็ชาบอย่างพวกผู้ชายเนี่ยถ้าต้องการเรียนต่อ อย่างปวสเนี่ยมีอะไรบ้างนะถ้าลำพังอ e ีเทคเนาะอีเทคเนี่ยถ้าเป็นบริหารธุรกิจนะเขาก็มีสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาจัดการทรัพยากรมนุษย์นะแล้วก็ส่วนมากผู้ชายเราชอบเรียนในพวกช่างอุตสาหกรรมนะสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชา e ส้างก่อสร้างนะอันนี้เราเลือกได้นะทุกคนมีสิทธิ์ลูกนะบางบริษัทเห็นเราตั้งใจจริงผลงานก็ดีการเรียนก็ดีเนี่ยเขาส่งต่อถึงปริญญาโทนะทุกบริษัทเขาต้องการคนมีคุณภาพแล้วเขาก็ปั้นเราเป็นผู้บริหารนะเอาเป็นว่าทุกคนมีสิทธินะแต่ให้เริ่มจากวันนี้ลูก เตรียมตัววันนี้ไม่ใช่ว่าทอ้อถอยอันนั้นก็ไม่เอาก็ไม่เอาชีวิตเราแบบมันไม่มีเป้าหมายแม้กระทั่งมาทางสายธรรมก็มีเป้าหมายฉันต้องมีนิพนธ์เป็นเป็นเป้าที่ชัดเจนไม่งั้นเจอมารก็ถอยเห็นไหมเราต้องอยู่กับโลกลูกถ้าเราเรียนรู้โลกถึงเราเดินสายธรรมไปช่างเราก็รู้ว่าคนทางโลกมันทุกข์เพราะอะไรเขาเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ชี้ทางพ้นทุกข์ให้เขาได้ นะอย่าไปหลงอารมณ์ในนั้นนะอันนั้นก็เบื่ออันนี้ก็ไม่เอาอะไรนี่นะก็กลายเป็นว่าคนขยันอยู่ดีๆกลายเป็นคนเหมือนไม่มีพลังเหมือนคนขี้เกียจอย่างงั้นเราจะพลาดโอกาสนะพะกูว่าเป็นโอกาสดีมากไอโครงการนี้พระกูชอบเมืองนอกเนี่ยเขาเจริญกว่าเมืองไทยเพราะเด็กเขาเนี่ยได้มีประสบการณ์ตรงเด็กไทยยิ่งพ่อแม่มีตังค์เนี่ย ทำอะไรก็ไม่เป็นหน้าที่ฉันมีเรียนอย่างเดียวจันถึงสุงก็ไปท่องจําเสาที่ไปท่องจําเพื่อจะเข้าโรงเรียนดีๆมันไม่ได้ดีดตรงไหนมันแพงๆเฉยๆนะไม่ใช่ว่าฉันไปอบรมแล้วฉันไปอบแล้วรู้แล้วรู้แล้ ว, แ, ลวแต่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไล่สารละเสียเวลารู้แล้วก็ต้องเอามาทำนะถ้าเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะ เราจะตกเทรน์นะเพราะว่าเขายิ่งเปิดทางเลือกใหม่อย่างนี้เยอะๆเนี่ยนะนะจริงๆแล้วเรามีโอกาสนะเราเป็นโรงเรียนที่ชายแดนนะผูนะ้ไ ด, ด้ยโอกาสในการศึกษามีเยอะนะยิ่งมีมูนิธิมาดูแลก่อนเนี่ยนะช่วงตั้งแต่นุบานขึ้นไปแล้วเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเราให้ข้อคิดแล้วก็สร้างความพร้อมให้มันเกิดขึ้นจริง ให้เด็กเรามีความรู้สึกมั่นใจที่จะเดินก้าวต่อไปอทีนี้ช่วงเรียนปวชอโอเคแล้วก็ไปฝากเขา น, นี่เป็นโลโก้ น, นี่ก็ไปเรียนเรียนไปแต่ช่วงจบปวชแล้วนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเด็กต้องออกจากวิทยาลัยออกไปไปใช้ชีวิตจริงนะเราก็ต้องเลือกแน่นอนพราครูก็ต้องเลือก พออีทเทคเาก็ต้องเลือกองค์กรที่มีคุณธรรมและลูกหลานเราเนี่ยก้าวหน้าได้จริงๆแล้วก็ปลอดภัยนะเรามีอะไรเลือกอยู่นะแต่ว่าทุกองค์กรเขาก็เลือกเด็กเลือกวิทยาลัยด้วยไม่ใช่ใครๆเขาก็เอานะต้องถามว่าเด็กนั้นมีความตั้งใจจริงไหมมีความอดทนไหมโดยเฉพาะตัวรับผิดชอบ นะก็พวกเราอยู่ที่นี่ดุคุณไม่ชีพระพี่เลียงนี่ยเขาพยายามจะฝึกให้พวกเราทํากิจกรรมน้นกิจกรรมนี่นะฝึกให้เรามีทักษะชีวิตและให้เรามีสํานึกเสียสละเพื่อส่วนรวมเมื่อเสียสละแล้วเราไปอยู่ในองคอ์กรไหนเพื่อนร่วม ง, งานก็รักเราไม่ใช่เกี่ยงกันนะเอาชนะกันเนี่ยไปที่ไหนเขาก็เกียดเรานะ ผู้บริหารองค์กรเขาก็เห็นเขาก็รู้แล้วเขาก็ไม่สนับสนุนเรานะแต่ถ้าเราเป็นผู้ให้ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เ, อ เ, อเพื่อนเพื่อนด้วยกันเนี่ยนะใครๆก็รักเราหรกใครๆก็อยากสนับสนุนเราโดยเฉพาะตัวซื่อสัตย์นี่ตัวนี้สําคัญมากแล้วก็ตัวกตันญูก็ไม่ไม่ยิ่งหยอดนะทุกองค์กรเขารักคนที่รู้จักกตันยูรู้คุณคนรู้ทุนรู้คุณองค์กร เมื่อเรารู้คุณแล้วเนี่ยเราก็ตั้งมั่นทาหน้าที่ตอบแทนคุณเมื่อเราตั้งมั่นปุ๊บเนี่ผลงานเราก็ดีนะนอกจากคนตาบอดเท่านั้นถึงจะไม่เห็นนะเมื่อผลงานดีแล้วเนี่ยเรื่องอะไรเขาอยากไม่ได้คนดีเขาก็ต้องสับสูนเราใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะลูกนะศูนย์เนี่ยพยายามดูแลพวกเราเนี่ยได้แค่ปวชนะแต่ไม่ใช่ทิ้งเราเลยนะลูก แล้วก็จะสับูนเราไปตรงไหนเราก็จะตามไปดูมีปัญหาอะไรไหมก็ช่วยเราแก้ปัญหาให้ชีวิตเราข้ามพ้นให้ได้นะไม่ใช่ส่งไม่ถึงฝั่งทิ้งให้เราจมน้ำตายตะข้างฝังเพราะที่ทำมาทั้งหมดเหนื่อยเปล่านะอันนี้ถือว่าผู้ครูว่าเนี่ยคุณครูก็ช่วยใส่ใจหน่อยหนึ่งแล้วก็บอชวดินี e เท้ก็ส่งให้เราพอสมควรอยู่ที่คูคีน่าจะไปติดบอดที่ที่นั่นนะ แล้วก็ให้เด็กๆนั่นล่ะมอต้นมออะไรเขาดูด้วยนะเขาจะได้มองภาพเขาชัดว่าเขาจะเดินทางไหนแล้วก็ปวชวเราเนี่ยถามว่าพร้อมไหมมันยังไม่พร้อมหรอกไม่มีวันพร้อมทำให้มันพร้อมทุกวันขาดหรืออะไรทำให้มันพร้อมจริงๆแล้วข้าวของไม่มีเราก็ซื้อมามันเงื่งง่ายแต่ครูผู้สอนเนี่ยใช่ไหยใส่ใจแค่ไหนตัวนี้สาคัญกวา่าเสริมทักษะเด็ก นะไอ้งีประมาณไม่มีแล้วก็พอหามาได้นะอันนี้ก็ช่วยกันดูแลนะก็คุณครูที่อยู่รู้เข้าใจแนวทางแล้วแม้กระทั่งมปลายเนี่ยพวกคูคิดว่าไม่ต้องรักษาบันไว้หรอกต่อไปนี่อนาคตไม่มีอยู่แล้วมปลายเนี่ยยากนะครูที่สอนมอปลายอย่าไปไหนนะก็มาช่วยกันลูกก็เออมาช่วยกันทางปวชหรือมาช่วยกันทางมอต้นทำให้เด็กเรามีคุณภาพจริงๆนะ วิชาการเราก็มีเครื่องมือช่วยเราแล้วคือคอมพิวเตอร์คือ168ไม่ใช่ใครเรียน168ก็เก่งเลยนะไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณใส่ใจเรียนไหมใช่ไหมครูเนี่ยช่วยแนะแนวเขายังไงไหมนะก็เครื่องมือเหมือนกันแหละอยู่ที่ว่าคนนี้เรียนได้คนนี้เรียนไม่ได้เพราะอะไรนะก็วิชาการก็เรียนคู่กันไปเพียงแต่ว่าพอครูดูแล้วการทางานยุคต่อไปเนี่ย เขาไม่เน้นวิชาการเขาพิสูจน์แล้วเนี่ยทีดีเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าหลายบริษัทพิสูจน์แล้วเด็กจบปริญญาตีเนี่ยทำงานไม่เป็ น, ท ำ, น, ปนทำงานไม่เป็นกับหลงว่าฉันมีปริญญาที่นี้ก็บริหารยากด้วยสอนยากเขาก็เลยเอาตั้งแต่ปวชนี่แหละนะอย่างน้อยเราเอาละไม่ชอบชีวิตไปทำงานลูกฟังพ่อกูอดทนไปฝึก ง, งานอีกสองปีปวสสองปีนั้นเราจะได้เรียนรู้ทักษะ โลกสมัยใหม่เรียนรู้บริหารจั ด, าจดการแบบสมัยใหม่เราก็กล้าคิดมาทำใหม่เห็นไหมกล้าคิดจะมาทำใหม่เมื่อกี้คุยกับคุณไม่ชีดีมเนาะเห็นไหมไม่ชีดีมมาดูแลพวกเราตามพวกเราคนมาปุ๊บป .6 ก็ตามขึ้นมาอีกมัปมปฐมมีแต่เด็กๆไอ้ที่กลับบ้านก็ยังไม่กลับมา ที่ไม่ชีดีปลูกพืชผักปลูกอะไรมากเลยเนี่ยกลายเป็นว่าคนไม่พอดูแลเห็นไหมไม่ชีดีต้องเรียนรู้ด้วยนะเพราะครูบอกแล้วถ้าทําแบบนั้นเราต้องใช้คนเยอะยิ่งเราฝึกเด็กให้มันมีทักษะก็ดีแล้วดีแล้วแต่ถ้าทักษะนั้นบวกด้วยเทคนิคสมัยใหม่ด้วยมันก็ทักษะสมัยใหม่งไงเห็นไหมอยังลงเรือนที่เราปลูก เพรบ้านแหลมทองเนี่ตอนนี้ปลูกอะไรปลูกตัวฝักยาวครูจองที่บ้านก็ปลูกด้วยใช่ไหมใส่ปุ๋ยฉีดยาแล้วก็ไปขายช่องเมก็กเธอก็เอาไปขายฉันก็เอาไปขายเธอก็มีค่าจะจ่ายออกมาบอกแล้วทําไมไม่รวมกลุ่มกันเปลี่ยนเวรกันคนนี้เอารถไปคันเดียวก็พอมันก็ลดต้นทุนใช่ไหมอันนี้ก็ต่างคนต่างเอาไปขายที่นี้พ่อค้าคนกลางเขาก็สนุกกดราคาเราทีนี้เราก็มาดมไใบสารพิษต ร, ตรงนี้แล้วสุดท้ายเนี่ย ได้เงินมาต่อไปรักษาโรคเพราะกูเป็นห่วงมากก็ระดูกไม่ดีปลูกให้พ่อคูหน่อยลงเรือนมันเหมือนเหือนฝืนธรรมชาติพรา ก, กูไม่ชอบนะจริงๆแล้วไอ้กางมุ้งเนี่ยนะแต่หลังจากเราทํามาแล้วเนี่ยเนื่องจากสิ่งแวดล้อมมันเสียหายหมดแล้วเราไปทําลายป่ามแมลงก็หนีออกจากป่ามารบกวนเราเนี่ยถ้าไม่ฉีดยาก็ไม่ได้กินจริงๆใช่ไหมยิ่งไปใส่ปุ๋ยเคมีปุ๊บมัน ม, ม, น ม, ม, น ม, ม, นมีมันมีกลิ่นตัวมันอนะ่ะมันดึงมแมลงเข้ามา เห็นทีนี้เราก็ลองเอากางมุงก็กางมึงไม่ชอบก็ลองเพราะครูข้ามพ้นชอบไม่ชอบเพราะเราเจอเกษตรกรมีปัญหาเห็นแล cosas, like goals, ้วก็เอามาปลูกในโรงเรือนทีนี่โรงเรือนทำไมบางทีต้องทำประตูสองชั้นเวลาเข้าต้องระวังมากนะโรงเรือนที่พหลวงพี่เขาทำมเราปลูกเมลอนอะไรพี่ปุ๊กก็ช่วยกันดูแลอยู่เพราะคูสั่งให้เอากุญแจไปล็อกเลย ไม่ใช่ใครจะเปิดเข้าเปิดเปิดออกป๊บแค่มแมลงตัวเดียวเนี่ยผีเสื้อตัวเดียวเข้ามาเนี่ยทั้งหมดลงทุนไปเรียบร้อยถ้าทำพวกนี้เราก็ต้องสำรวมระวังทีนี้ถ้าเราสนรวมระวังแล้วเราก็วางระบบน้ำ็นแม่ในไร่อะนะดอนเขาปลูกอินทผลัมปลูกขนุนเห็นไมทั้งกี่ไร่ไม่เห็นดอนเขาเอาน้ำไป ยืนฉีดมันวันหนึ่งจะเลี้ยรถน้ําได้กี่ต้นเห็นไหมแค่เราลงทุนทีแรกยุคนี้ไม่ลงทุนไม่ได้ลงทุนครั้งแรกแต่มันอยู่ได้หลายปีเห็นไหมดอนเขาก็วางระบบน้ําเป็นน้ําหยดน้ําอะไรเห็นไหมเขาก็ตั้งนาฬิกาบางแห่งต้องตั้งนาฬิกามันก็ชี้ถ้ามันชุ่มเลยเช้าสายแล้วก็กลางคืนเราก็ไม่ต้องใช้คนมันก็ลดต้นทุนทีนี้คนก็ เดินสำรวจดูเฉยๆว่าเออตัวไหนมันตันบ้างหลายบ้างอันไหนมันไม่ดีก็ทําให้มันดีและญ่ายาวเนี่ยเราลดต้นทุนมาอันนี้เอาเงินไปกู้นี่ยืมสินไปซื้อปุ๋ยไปซื้อยาไปฉีดแล้วต่างคนต่างเอาไปขายเธอก็เสียค่ารถเธอก็เสียแรงงานไปคนหนึ่งเธอก็เสียแรงงานทำไมหมู่บ้านนี้ไม่รวมกันตื่นเช้ามานัดเลยว่าเออฉันมีสิบ ก, กิโลเป็นสหกรณ์มาช่างเลยทั้งนี้ตอนนี้เป็นเวรเธอเธอเอาไปขาย ไปสักสองคนเป็นพยานใช่ไหมมันก็ลดต้นทุนแต่ว่าไม่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีต้นทุนแล้วก็เอาไปเยอะๆเนี่ยพ่อค้าคนกลางเขาก็ยิ้มไงเขาก็กดราคาเรากระลำปีลาวนี่น่าสงสารมากขนมาถึงช่องเม็กเนี่กิโลละบาทสูงสุดบาทห้าสิบตังค์ค่ารถเท่าไหร่แล้วไม่ขายมันก็เน่า แต่พี่เล็กพันนีที่วงเทพนี่ส่งภาพให้พวกคูดูให้พี่พุกดูกหล่ำปีลูกหนึ่งร้อยบาทไม่ถึงกิโลด้วยแล้วคุณจะไปปลูกขายบ า, บาทหนึ่งทำไมใส่ปุ้ยฉีดยาด้วยวเด็กๆก็เป็นมะเร็งด้วยเพราะเราไม่กล้าคิดใหม่ทำใหม่ไงเห็นไหมแล้วไปยืนลดน้ำรดน้ำอยู่นั่นแหละเห็นไหมละ่ะแล้ววันหนึ่งจะลดได้กี่ต้น นี่แหะคือการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยต้องกล้าเปลี่ยนนะชัวร์ไอ้ปั๊มตัวนี้เราเราเร า, เราฉีดลดน้ําเนี่ยนาฬิการ้อยกว่าบาทเอานาฬิกาเสียบใส่ปลั๊กไฟอน้ไอ้ปั๊มเสียบใจ น, นาฬิกาก็ตั้งสิตีห้าให้มันลดกี่นาทีอะไรแค่นี้มันก็ลดน้ําให้เราเองเออท่อมันไม่พอหรือว่าตรงไหนมันตันเราก็ซ่อมให้มันอย่าตัน แล้วเราก็ไปทํางานอย่างอื่นได้ยกตัว อ, อย่างเนี่ยนะที่ผ่านมาพอกูไม่ได้ว่าอะไรคิดว่าเออเหมือนเราสอนเด็กๆนั่นแหละแต่ที่นี้สอนอย่างนี้ก็สอนเด็กๆได้สอนเด็กๆให้ใช้เทคนิคใหม่ๆลดต้นทุนแล้วก็หนีเรื่องยาปราบศัตรูพืชหนีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วบาปนะ เราใส่ปุ๋ยฉีดยาเราเองก็ต้องรับกรรมนั้นแล้วเราก็ไปขายขุณเข้ากินแล้วก็เป็นมะเร็งอันนี้ไม่ได้บุญอะไรได้บาปด้วยแล้วก็ไม่ได้กำไรอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้คิดต้นทุนของเรานะเร็วๆนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่เดือนนี่นะเพราะครูไปดูไร่กาแฟตรงนั้ น, นทำลายไร่กาแฟหมดตัดต้นไม้ใหญ่หมดเพราะไร่กาแฟเขาต้องปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยเป็นเงาคนไทยเรานี่แหละ ไปรับซื้อมันสัปะหลังอ่ะเขาตัดต้นไม้ทิ้งหมดทาไล่กาแฟาทิ้งหมดไปปลูกมันสัปะหลังเขาบอกว่าขายได้นะมีคนมาซื้อขายได้แต่ได้ขายแต่ขายเราไม่ได้มันขาดทุนดินเขาดีๆนะเขาเหมือนเมืองไทยยี่สกว่าปีก่อนแต่นี้กำลังถูกหลอกอีกเขาซื้อราคาต่ากว่าเมืองไทยอยู่แล้วเขาซื้อแล้วเาถึงเอามาขายเมืองไทยได้ไง นี่คือทุนนิยมแต่กเกษตรกรนี่ไม่รับการศึกษาไม่เรียนรู้นะลูกเราก็ไม่กล้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกลัวไปหมดเลยนะวันนั้นสบปภพากเกษตรกรเดชอุดมคนที่มีหนี้สินน่ให้ที่ทางแล้วเนี่ยยังเป็นหนี้อยู่เอาตัวไม่รอดมาดูงานที่ศูนย์ห้าสิบคนจริงๆแล้วช่วงปีสองปีที่กูไม่รับงานเพราะว่าเรายังทาไม่เสร็จทีนี้เขาก็ขอลองนะออกมา เขาก็มาดูงานบางคนไม่อยากเดินด้วยถูกบังคับให้มาเพราะว่าเป็นนี่ไม่มาก็ไม่ได้แล้วก็เช่ารถบัสรถโคช ส, สองชั้นนะคืนแรกไปนอนรีสอร์ทหน่อยที่หงเจียมวันที่สองก็มาอยู่ที่นี่2ี่สบกว่าปีก่อนพ่อ ก, กูทำไล่แหลมทองเขาก็มาแบบนี้เหมือนเก่าฉันก็ประมาณให้งหมดสุดท้ายเกษตรกรก็มาดูงานกลับไปฉันก็ไม่ทา เพราะครูบอกเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยคุณต้องเอากเกษตรกรรุ่นใหม่ลูกหลานเขาเขาไม่กล้าคิดหรอกจริงแล้วมันไม่ได้ยากนี่ยถ้าเขาศึกษาหน่อยแต่ว่าแค่นี้เขาไม่กล้าคิดไม่มีทุนไม่มีเงินแต่เอาเงินไปซื้อโมเตอร์ไซค์ได้ซื้อกระบะได้นะลงทุนไม่กี่ตังก์เองทําเองเนะี่ฉะนั้นเราลงทุนเนี่ยที่บอกล้วไอ้ไอ้ลงเมลอนน่ะเห็นไหมเรามีบอ่ปบอปลาบ่อปลานี่ โขกที่สุดในโลกนะคิดว่าไม่ลงโอยมันไม่มีทุนคือแ ค, แค่มองก็กไม่กล้าคิดไอ้แผ่นสันไทยนั่นพาศู์กลางสามเมตรนะนะเพราะคูเป็นคนออกแบบเองนะรอบตรง น, นั้นเก็9้าเมตรครึ่งตีว่า10เมตรเนาะเม็ดหนึ่ง 8-90 เก้าิบาทตีว่าร้อยหนึ่งพันบาทเนียเลี้ยงปลาได้เป็นพันพันตัวเห็นั้ยปูนเนี่ยเทไปอีกพันหนึ่ง บอ่อนี่สองพันถูกก็ไปซื้อไอ้แทงน้ำอะไรทั้งหมดแล้วก็เอาขี้ปลานี่ไปเลี้ยงผักไปเลี้ยงเมลอนน่ะเมลอนสวยมากห้องนี้ปลูกไม่ถึงงานมั้งไม่ต้องไปแจกเราคนละส5บหไร่2ี่สิบไร่มันมากไปแค่ใช้ที่งานหนึ่งเนี่ยมาทำแค่นี้ครอบครัวนี้อยู่ได้แล้วเมลอนเก็บเกี่ยวที่หนึ่งสี่ห้าหมื่นปีหนึ่งปลูกได้สามสี่ครั้ง สาีรอบเพราะว่ามันมีหลังคากันฝนไงปั๊มน้ําเท่าไหร่เราไม่กล้าเปลี่ยนเอาล่ะคนรุ่นเก่าไม่กล้าเปลี่ยนบอกว่าเอาคนรุ่นใหม่มาแต่คนรุ่นใหม่ต้องร่วมมือคนรุ่นเก่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บเราไม่ต้องใช้อันนี้ปลูกเยอะๆปลูกมันเยอะๆตากแดดตากฝนไปขูดมัน ไปสับมันไปอะไรไปขายแล้วสุดท้ายก็ไม่มีเงินเหลือหมุนไปเฉยๆขาดทุนโดยไม่รู้ตัวเราไม่คิดค่าแรงตัวเองเราไม่คิดค่ากินอยู่ของเราสุดท้ายก็ให้ในทุนรวยเอามันไปขายให้เขารวยแล้วก็เอาเงินไปซื้อปุ๋ยให้เขารวยเพราะเราไม่กล้าเปลี่ยนเพราะกูถึงหวังพวกเราลูกเราเป็นลูกหลานเกษตรกรทั้งนั้นน่ะตื่นขึ้นมา กล้าที่จะเรียนรู้ของใหม่ๆพาทำอะไรอย่าอย่าอย่าต้านชอบไม่ชอบทำไปก่อนแล้วเกิดทักษะชีวิตเดี๋ยวมันจะปิ๊งเองเมื่อกี้พักครูบรรยายบรรยายปุ๊บหนึ่งพักครูหายไปปึ๊บห้านาทีออกแบบแล้วอันหนึ่งห้องนี้ห้องออกแบบเวลาจะนอนปีสามก็ขึ้นมาเดินจนกลมปุ๊บออกแบบพักครูไม่ได้หยุดนะหลายคนไม่ได้มาศูนย์ทาไมพกครูทาได้ขนาดนี้ เพราะเรามีสำนึกเนี่อลูกเพราะเรามีเมตตาเนี่ยเราไม่ขี้เกียจเราขยันที่จะหาอะไรที่ดีๆมาให้ไงแต่ถ้าคนให้ไม่ได้ทุรลไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของกูก็ไม่มีการพัฒนาแล้วก็แก่แก่ไปอีกวันหนึ่งนะเสียเวลาชีวิตอย่าปล่อยให้ชีวิตมันเออะเหยนะโดยเฉพาะ คุณครูพวกเราบุญเยอะมากนะบอกว่าเรานั้นเป็นครูโดยเฉพาเป็นโรงเรียนครูครูศึกษาสงเคราะห์ด้วยเห็นไหมเราได้สงเคราะห์ได้ทำบุญไงแต่เราคิดว่าทุระไม่ใช่เราก็แก่แก่ไปวันหนึ่งถามว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมเพราะครูไม่เคยปล่อยเวลาเพราะครู7นปีนะแก้งเจบแล้วเพราะครูทำงานนั่นแต่ตีสามนะคือหนึ่งพักสาชั่วโมงนอนสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงพอ เพื่ออะไรเห็นหมก็เพื่อพวกเราลูกเราจะได้เรียนรู้เพื่ออนาคตของชาติแต่ถ้าพวกเราขี้เกียจ ด, ด้วยเนี่ยก็ขี้เกียจเด็กก็ปิดโรงเรียนมาแล้วขี้เกียจทำงานแล้วจะทำยังไงแล้วจะไปอยู่ยังไงกินยังไงบอกให้มาเป็นนักบวชก็ไม่เอานักบวชไม่ใช่เป็นง่ายๆนะ เราต้องฝืนกินเลสเราเห็หมันก็ ต, ต้องมีขันติต้องมีศรัทธาเห็นไหมล่ะก็ไม่เอาเบอกให้เรียนเพื่อเพื่อสร้างอนาคตก็ไม่เอาแล้ว <c oughs> ถามว่าจะเอาอะไรตื่นนะลูกตื่นนะเดินทางสายกลางเรียนก็เรียนเรียนก็เพิ่มทักษะนะเรียนมีสองอย่างคือเรียนรู้ทฤษฎีรู้แนวทาง แล้วก็ทำงานเนี่ยคือเรียนแบบภาคปฏิบัติพวกเราเรียนตั้งแต่ตีห้าแล้วคุณแม่จีให้เราตื่นมามาถูสารามากวาดอะไรนั่นแหละเรียนเพื่อฝึกอะไรฝึกให้เรามีความรับผิดชอบฝึกให้เราขยันฝึกให้เรามีวินยัยฝึกให้เรามีความอดทนนี่นี่คือการศึกษาไงไม่ใช่ไปเรียนท่องจำวิชาการพวกนี้นะหมดสมัยแล้วนะหมดสมัยแล้วเอาเป็นว่าเรียนไปตกงาน แล้วก็พ่อแม่ก็เป็นหนี้เป็นสินไปส่งเราเรียนเขาลักเราไงส่งไปส่งมาจบออกมาก็ไม่มีงานทําเขาก็มายึดบ้านอีกนะเอาเป็นว่าพราครูอยากให้ทุกคนตื่นแล้วก็ช่วยกันอันนี้เป็นโอกาสดีนะแต่ไม่ใช่ทุกคนทําได้นะถ้าเราไม่กระตือรือร้นเริ่มจากนักเรียนไม่กระตือรือร้นพัฒนาตัวเอง วิทยาลายัยถ้าไม่กระตือเรือร้อนน่พัฒนาองค์กร น, นะส่วนบริษัทห้างร้านไม่ต้องพูดถึงเขาพัฒนาตลอดเวลาเขากลัวเขาเจงเขากลัวจะสู้คนอื่นไม่ได้อันนั้นไม่ต้องห่วงเราก็เอาลูกหลานเราไปเรียนรู้เรื่องวิธีพัฒนากับเขาไม่ใช่ไปเรียนวิชาการมันเต่าล้านปีหรอกไปดูของจริงว่าตอนนี้มันสู้กันยังไงนะแต่ถ้าทุกคนไม่อยากไปลูกทางานกับบริษัทพลานคอย เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถามว่าพวกเราช่วยกันเอาจริงไหมครูเหมือนกันลูกหลานครูเนี่ยมีหุ้นส่วนกันเอาไหมอ่ะตอนนี้ดอนเขาไปทําไปเก็บกาแฟนะคุณแม่ชีก็ไปช่วยเก็บกาแฟนะแม่ชีมัธยมบางคนก็ได้ไปเก็บกาแฟตอนนี้เราหมักไว้ไม่ดูได้กี่ตันนะนะสิบตันอะไรหรือเปล่านะ กาแฟพรีเมียมต้องหมักไว้เจดเดือนให้มันแห้งสนิทนะแล้วเราก็มาสีเปลือกในมันแล้วก็มาคั่วนะแล้วก็เป็นแบรนด์แล้วตั้งชื่อดอนคอฟฟนะี่นะพี่หนูหลิงก็ไปอบรมที่กรุงเทพฯไรามาเป็นว่าหาสูตรเราอย่างเราไปทำงานที่นี่ก็มีร้านกาแฟใช่ไหมเราเปิดร้านกาแฟเราเองได้ไหมลูกได้ นะมุมไหนมีมวลชนอะไรเราไปเปิดและเด็กๆที่จบปวชที่นี่นะช่วงที่มามาเรียนแพทย์แผนไทยที่นี่อาทิตย์หนึ่งมีสองชั่วโมงเนาะอาจจะเรียนกาแฟสักชั่วโมงหนึ่งเรียนแปรรูปผลผิดกา ร, กรเกษตรอีกสักชั่วโมงหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราชอบอาชีพกาแฟ เราไปเปิดร้านกาแฟมูนิธิสนับสนุนลูกเปิดร้านกาแฟทุกคนมีหุ้นคนไปบริหารทํางานครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งกําไรมาให้มูนิธิเพื่อจะส่งรุ่นต่อไปไปเราทําธุรกิจได้หรือเคาจะไปเปิดร้านอาหารได้ด่านเม่นก็ทําได้นะช่องเม็ฆทําได้อุบลพวกคุณบอกดอนอย่ามองไกลเอาอีสานให้มันเรียบร้อยหมดนะเด็กเราเนี่ย ฝึกขึ้นมาทุกคนก็มีอนาคตเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับองค์กรนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเราไม่อยากจะไปทำงานที่อื่นก็มาช่วยกันสร้างนะพวกครูหนีเงินมาไม่ใช่ว่ามาทำค้าขายแต่ว่าพวกเราต้องดำรงอยู่นะเราก็ดำรงอยู่เราก็เป็นเท่าแก่น้อยแล้วส่วนหนึ่งถ้าเป็นเท่าแก่ก็ไปหลงระเริงวัตถุนิยมก็ตายเปล่าอีกใช่มส่วนหนึ่ง เราก็ทำงานให้องค์กรสาธารณะประโยชน์ด้วยเห็นไหแล้วก็ได้ผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนหนึ่งก็มาส่งรุ่นน้องเราต่อไปอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เราจะทำต่อไปนะต่อไปเนี่ยพอ ก, กูจะเปิดให้คนมาดูงานนะอบตอทั่วประเทศอะไรเนี่ยมหาวิทยาลัยโทรมาพอ ก, กูไม่รับงานนะก็เลยว่าทำให้มันสมบูรณ์ก่อนนะที่นี่ตำบลโนนก่อนนี่ส่วนใหญ่ เป็นที่เนินมันเป็นโนนเนาะมันเป็นที่ไล่นะมันไม่ใช่ที่ลาบลุ่มมันไม่ใช่ที่นาอ่านะมีน้อยมากที่ทํานาไดนะ้เป็นที่เนินแต่เราจะปลูกข้าวในบนภูเขานะเรากำลังทำนะปลูกในบอ่อคอนกรีตรนี่แหละปลูกปีหนึ่งได้สาครั้งสี่ครั้งเอาขี้ปลาเนี่ยแหละมาปลูกนะแล้วก็น้ําจากเขื่อนนะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ใช่ไหม เรากำลังจะทำแล้วสุดท้ายก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะก็เริ่มให้คนเข้ามาเมื่อคนเข้ามาเขาก็เอาเงินเข้ามาด้วยนะแล้วก็ปลูกผักสดปลูกอะไรอะไรเนี่ยเรากำลังสร้างใหญ่เลยล่ะนะผักที่ปลอดสารพิษอันนี้ปลอดจริงๆเพราะครูไปทางเชียงใหม่กับดอนเนี่ยไปเพราะครูทำอะไรทำจริงนะไปดูก่อนที่เขาทำยังไงแม้กระทั่งโครงการหลวงเนี่ยเขาก็ปลูกเหมือน เหมือนที่เราปลูกไฮโดรโปโนิกปีหนึ่งที่ผ่านมาผักสวยมากแต่มันใช้เคมีไง a อบเขาบอกพ่สูตน์แล้วเออมันเป็นเคมีเข้าทางรากแต่เราไม่ได้ฉีดยาข้างนอกมันก็ยังพอกินได้อยู่โอเคไม่ทะเลาะนะแต่พ่อ ก, กูไม่เอาก็กำลังทำปุ๋ยหมักชีวภาพเราเนี่ยนะปุ๋ยขี้ปลาขี้ไส้เดือน ที่ไสเดือนก็ถือว่าเราทดลองสําเร็จแล้วนะพ่อพันุ์แม่พันธุ์ใส่เดือนพี่ปุ๊กสั่งมากิโลละเจ็ดลแพงกว่ากุ้งอีกแพงกว่ากุ้งอีกและไอ้พันุ์พวกนี้มันตัวไม่ใหญ่นะตัวมันยาวๆผอมๆเนะี่ยพันเนีแอฟริกาเนี่ยนะขี้มันเยอะมากเผลอพลินเดียวหนาปุ๊เนี่ยพระภิกษุท่านก็เอาใส่ถุงใส่ถุงเนี่ยถามว่าปุ๋ยอะไรแพงที่สุด ขวี้ขี้ไส้เดือนอันนี้เราก็ทําได้เห็นไหมสวนยางกีดยางไม่มีราคาอย่าไปตัดมันทิง้งตอนนี้เขาจะจ้างตัดทิ้งด้วยในขณะที่ไปจ้างเขาปลูกป่าก็เปลี่ยนสวนสวนยางกลายเป็นป่ายางได้ไหมเอาเงินที่จะจ้างเขาตัดทิง้งเอาเงินมาให้เขาดูแลสวนป่ายางได้ไหมมันก็ชุ่มชื่นแล้วข้างล่างก็ไปเลี้ยงไส้เดือนไปปลูกโกโก้ เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้เห็นเนี่ยอันนี้ส่งเสริมเขาปลูกเขาเป็นหนี้แล้วยังไม่มีราคาไปจ้างเขาล้มอีกไปหลอกเขาปลูกอย่างอื่นแต่ที่นี้เขาก็เจ้งอีกนี่คิดแบบเขาเรียกว่าปลูกเชิงเดี่ยวนะเพราะครูพยายามเล่งเล่งเลเล่ ง, ลงทำใต้สนย่างต้องหาประโยชน์กับมันให้ได้เมื่อได้ปุ๊บเนี่ยบอกชาวบ้านอย่าไปตัดใครที่เกิดที่แหลมทองเนี่ยครูคมก็เกิดที่นี่ ครูคมจําได้ก่อนหน้าที่จะมีสวนยางที่บ้านเราเนี่ยที่นี่ฝนไม่ค่อยตกเลยมันลอยข้ามไปหนุนไปตกช่องเม็กตกที่ลาวแต่หลังจากเขาปลูกสวนยางแล้วมันมีความชื้นที่นี้เราอยู่ข้างเขื่อนไงมันกว้างมากมันไม่มีต้นไม้เห็นไหมละ่ะมันก็พัดหนีหมดแต่หลังจากหลายปีมาเราเขาปลูกสวนยางกันอย่างนี้น้อยประโยชน์ของมันคือมันมีความชื้นมันเป็นตัวดึงฝนลงมามันยังดีกว่าเก่าเยอะมาก แต่ตอนนี้เรามองแค่ว่ายางมันไม่มีราคาตัดมันทิ้งความคิดแบบนี้ถึงจนซ้ำซากนะในใต้สวนยางทําอะไรได้อีกเยอะเมื่อวานเพิ่งสั่งดอนนะดอนเท่านี้ไปให้เขาเตรียมกาแฟใหญ่มันมีกาแฟกาแฟสูงกาแฟต่ำ ก, กาแฟสูงคืออาลาบิกา้าปลูกในที่สูง ต้องพ0 0เมตรขึ้นไปสูงกว่าระดับน้นทะเลที่เราที่ลาวเนี่ยันหนถึง1ั0สจุดที่มันสูงถึง1200กว่ามันมี阿าบิก้าราบิก้าเนี่ยอันนี้เป็นกาแฟที่เข้าไปบอกเป็นกาแฟสดส่วนกาแฟกาแฟบ้านเรากาแฟทวีอินวันเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยกาแฟต่ำปลูกที่ชุมพรปลูกในที่ต่ำ และที่ไร่เรามันมีกาแฟป่าที่มันเป็นกาแฟต่ํานั่นแหละใบมันใหญ่มากมันหล่นเป็นเป็นแสนเป็นล้านต้นเลยนะนะเอามาปลูกที่นี่เขาขายต้นละหบาทสิบาทเนี่ยหลายล้าน น, นนะดอนเอามาลองปลูกตรงร้านข้างกาแฟเราเนี่ยนะปีหนึ่งสูงขนาดนี้นะใบมันเขียวแล้วมันไม่หล่นด้วยพราพวากูระเบิกดอนเอาถุงแพ้เขามาใส่ไว้แล้วก็ขนมาที่นี่ ต่อไประหว่างข้างทางเนี่ยเราปลูกหมดเพราะกูต้องการความเขียวของมันเคยเอากาแฟอาราบิก้าให้ไม่ดีมไปปลูกตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ตายแต่มันก็ไม่โตมันออกลูกอยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่มันไม่ไม่มีเนื้ออันนี้ไม่ใช่บ้านมันไงส่วนกาแฟตรงนี้เนี่ยมันเป็นบ้านมันเราลองแล้วนะยิ่งใครมีสวนยางอะไรไปปลูกเนี่ยนะนะเอามาทํากาแฟและเรื่องของเรื่องเนี่ยพรากูจะเอามาปลูก แค่สองปีให้มันท่วมหัวนะปลูกบางแดดตรงร้านอาหารอะไรพวกนี้นะให้มันเขียวไปทั้งหมดแล้วก็เม็ดมันก็เป็นผลพลอยได้เราทำลองไปไ ด, ด้วยไม่ใช่ไปปลูกมันไปอะไรอะไรที่เขาสั่งอะไรก็กี่ปีกี่ปีก็ไม่เห็นมันรวยขึ้นนะแต่ทีนี้เขาก็ไม่กล้าคิดอย่างอื่นไงนะเด็กๆต้องคิดอย่างอื่นนะถ้าเราไม่คิดอย่างอื่นพ่อแม่เราก็ยังยากจนแบบนี้รืเราต้องกล้าคิดกล้าทานะ วิธีทาการเกษตรต้องเปลี่ยนนะผูค้ครูชอบศึกษาลูกเพียงแต่ว่ากำลังคนบุคลากรพู้ครูมีจำกัดแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้นะอันนี้ก็ใช้เวลานี่คุยกันเหมือนครอบครัวเราประชุมครอบครัวนะคุณครูก็งานเยอะนานๆครั้งก็ได้มาเจอกันก็ให้พ่อครูพูดอะไรให้ฟังหน่อยหนึ่งเอาไปคิดไปตีตองนะชีวิตคุณครูก็ ส่วนตัวก็ต้องพัฒนาขึ้นลูกหลานเราก็ต้องเดินต่อไปแต่ถ้าเราไม่รู้โลกอย่า ง, จงแจ่มแจ้งว่าโลกมันจะเปลี่ยนอะไรขึ้นหลับหูหลับตาทำแบบเก่าเนี่ยเราก็เป็นเหยื่อนะหมดสมัยแล้วการทำกรเกษตรแบบสมัยเกา่าเรามาใช้พื้นที่น้อยๆแต่มันมีคุณภาพดีไหมกระลบาดหนึ่งหกสลึงเนี่ยมาทากระลำร้อยหนึ่งได้ไหม ไอ้ลูกอะไรเนี่ยบัตตนัทเนี่ยเราเรียนดูที่ผ่านมาปลูกเมล่อนด้วยมัตตนัทได้ผลมัตเตนัทพิเล็กเนี่ยส่งเร็วๆนี้มาจากกรุงเทพจิงอยู่มันมันเป็นราคาอยู่ในห้างมันน่ะเนาะลูกหนึ่งน่าจะไม่ถึงครึ่งกิโลหรอกส65้บาบาทถามจิ๋อว่าไอ้ฟักทอง ที่นี่กิโลเท่าไหรส3บาทแล้วจะไปปลูกสามบาททำไมนี่เราไม่กล้าคิดไงทุกวันนี้ถ้าเราทำอินซีเนี่ยนะคนที่เขามีสตังค์เนี่ยแพงแค่ไหนเขาก็ซื้อนะ่เพราะเขาก็กลัวตายไงแต่เราไม่ปลูกมันนะพเพราะคูมาที่นี่สามสปีก่อนเนี่ย ดินมันยังโอเคใช่ไหมปลูกมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยไตอนนี้มันราคาแค่นี้ยังต้องใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยคือมันดูดซับเอาธ า, า, าตุอาหารของดินไปหมดเลยดินมันกลายเป็นทรายหมดพอแห้งมาก็แข็งโป๊กเลยมันไม่มีอากาศเห็นไหมนี่ที่เราที่ที่เราปลูกเมลอนกับมัเตรนัทสวยยังไงพระภิกษุเขานี่ยเก้เาดินบ้านเรานี่แหละ พอคสั่งเข้ามานะตอนนั้นนะคําก็เอาไปปลูกอยู่ในท่อไปปลูกมะละกอมันแข็งโปกเลยแล้วเราใส่ท่อทําไมมาเราอุตสาห์ลงทุนใส่ข้อก็เอาผสมดินดีที่สุดเพราะดินเราที่นี่มันมันไม่มีอากาศเพราะมันแน่นเห็นไหมล่ะเอาแกบดําเอาแกบขาวเอาขุยมะพร้าวใส่ต้องลงทุนเพราะมันใส่ไปทีเดียว มันไม่หนีไปไหนฝนตกลงมามันก็ไม่ช้านล้างหน้าดินหนีเราลงทุนทีเดียวแล้วที่นี้มันก็ร่วงซีลมันก็มีอากาศเนี่ยพืชไล่ทุกอย่างมันก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละมันต้องการน้ําต้องการธาตุอาหารคือปุ๋ยต้องการอากาศทีนี้ดินเราไม่มีอากาศเห็นไหมทําไมไฮโดรพลนิกมันโตไวเพราะมันมีอากาศหล่งมาน้ํามันไหลแต่เมื่อเขาใช้สารเคมีพรอครูพยายามจะไม่ใช่นะนี่เล่าให้ฟังนะ แก่แค่ไหนก็เรียนรู้ได้แต่เด็กทุกวันนี้เนี่ยอายุไม่มากเลยก็ไม่อยากเรียนรู้แล้วแล้วทีนี่เราหวังอนาคตยังไงอนาคตของชาติเดินยังไงลูกเอาละตัวเองอยู่ง่ายๆไม่ต้องสนใจอะไรเรามีเมตตาพ่อแม่ไหมพี่น้องไหมน้องๆเราไหมถ้ามีเมตตาต้องขยันตื่นขึ้นมาอย่าปล่อยให้ตัวเองอายุมากขึ้นเฉยๆไม่เรียนรู้อะไรนะเนี่ยบ้านเมืองหวังพวกเราหวังคุณครูที่นั่งอยู่ที่นี่ เป็นไกด์ให้เขาหน่อยหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้เ้าหน่อยหนึ่งกระตุ้นให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาเรียนรู้กล้าเปลี่ยนนะคนมีพื้นฐานกเกษตรแล้วก็ดีอยู่แล้วนะเรารู้เรื่องดินน้ําลมไฟเรื่องพันธุ์พืชอะไรดีอยู่แล้วเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ไหมแต่ไม่ใช่เอาใหม่จา๋าแพงๆ แ, แ, แบบมันไม่ต้องกล้าดัดแปลงเห็นไหมพ่อครูแก้งบอกดอนมาล้อนไปไปทำชุดหนึ่งให้พ่อกูไอ้ฉีดฝอยเนี่ย ตอนนั้นเราทำเองฉีดฝอยนั่นอีกช่างหนึ่งก็เอาไปท่อพีพบักใหญ่หนึ่งเข้าไปนะฉีดมาไม่ใช่ฝอยมันเป็นน้ำหยดลงมาไงเออ ย, ยังกับสปริงเกอร์มันไม่ใช่ฝอยไงทีนี้เราไม่มีเวลาแล้วก็ไปไปดอนดอนซื้อมาชุดหนึ่งมันก็ดอนก็ศึกษาสองสามวันรายงานพรกกูเออเอาชุดนี้ร้อยเมตรลองดูเนี่ยจากโน้นนั้นมาตรงนี้นะมีหัวฉีดห้าสิบตัวเออเขาก็ เขาก็ใส่ไปไม่ถึงห้าสิบเนาะเขาก็ใส่แค่ 20-30 บสาิบตัวนะเพราะคูก็ยืนดูเออมันดีแล้วแต่มันน้อยไปไนงะทำไมตอนเครื่องมันไม่พอเลยมันพอทำไมไม่ใส่ให้มันเต็มอาสั่งให้พรอกูอีกสองชุดมาเห็นไหมไม่ได้แก้ปัญหาสารานะพราคกูลองดูก่อนเดี๋ยวจะเอาไปลงเดินปลูกเราไง เห็นเขาทําอยู่แต่ว่าเราไม่เพราะกูเพราะกูเซิร์ชเพราะกูเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไงเซิร์ชไปดูเองก็ไม่เป็นมิดบอกพี่ปุ๊กหาข้อมูลแก้วหาข้อมูลดอนเห็นไหมก็เอาข้อมูลมาเพราะกูก็เลือกเพราะกูก็ใช้วิจารณญาณโอเคเอาตัวนี้มาลองเออลองเสร็จตัวนี้เหมาะกับตรงนั้นโรงเรียนใหญ่แค่นี้นี่ถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้เนี่ยเราก็เสริมทักษะเราไปเรื่อยๆ ไปก๊อปปี้เขาเรียนเหมือนเขาก็เท่ากับเขาเห็นไหมหน่วยงานเนี่ยโครงการที่วลินใหญ่เบ้เร่อเนี่ยเราไปดูงานเน่ยนะเป็นเพื่อนพ่อครูเองอดีตอดีตเป็นนายพลที่อุบล น, นายทหารน่ยผู้บัญชาการอยู่ที่อุบลเนีเขากเกษียณเมียเขาทําอยู่เออโครงการประชารัฐเขาถามแกว่ามีอะไรจะให้เขาช่วยมันก็ไม่มีที่นี่มีแต่ช่วยคนไม่ใช่รออาหารการนะบ้านเมืองปัญหาเยอะไปดูแล้วที่เขาดูก็ไปก๊อปปี้าม า, ามาก็ไม่มีอะไร ปลูกผักแค่ยกโต๊ะขึ้นมาปลูกข้างบนเฉยๆเข้าใจบ่าเนื่องจากมีคง น, นก็ประมาณเยอะก็ทางไปไม่เราต้องทำอะไรที่เกษตรกรทำได้ด้วยนะเพราะว่าเราคิดทำอะไรก็ช่างเพื่อจะแบ่งปันเพื่อใช้เขามาเรียนรู้นะที่ลาวเนี่ยหลายประเทศไปลงทุนนะญี่ปุน่นจีนโดยเฉพาะจีนเยอะเวียดนามพรกครูไปดูไล่ สตรอเบอรี่ของญี่ปุ่นเขาให้เราดูไหมให้ต้องซื้อปีก่อนปีกคืออะไระปีคือตัวไงหกมื่นกรีบหกสี่ยี่สี่สองหมืนสี่สองสอ้อยสี่สิบบาทเข้าไปดูไล่สตรอเบอรี่เขามีเมตตาไหมไม่นั่นแหละคือทุนนิยมบอกดอนรีบทารีบทำนนวลรีบทาปุ๊บต่อไปเนี่ยให้เขามาดูงานฝีเลี้ยงข้าวเขาด้วย ไล่แหลมทองทำมาแล้วหลายปีก่อนนี้เราไม่ได้ทำอะไรเพื่อจะเอาอะไรนะเราต้องฉลาดว่าทำยังไงเราจะมีโอกาสได้ให้จะได้บุญศูนย์มันถึงมาอยู่ทุกวันนี้ไงเพราะยิ่งให้ก็ยิ่งได้ไงคนอื่นเขาเห็นพ่อครัให้จริงๆเขาก็มาร่วมพ่อครหนูขอร่วมพ่อครัให้ได้ไหมเห็นไม้มเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้บอกรีบทำที่ลาวสงสารเขาตอนนี้ถูกหลอกแล้วดินดีๆจะอาไปเอาไปปลูกมันแล้ว น่าสงสารเขามากนะเขาบอกขายได้ได้ขายมีคนซื้อนะบอกเขาบอกขายได้แต่เขาไม่คำนวณว่าต้นทุนมันเป็นยังไงทไําลายป่าหมดเลยแล้วไม่มีเงินที่จะเอาต่อออกนะก็ปลูกแซมอยู่ตรงนั้นนะแสดงว่าเขาใช้รถไถไม่ได้นะเขาก็ต้องเอาคนไปขุดนะเหมือนเหมือน30สิปีก่อนที่นี่นั่นแหละแล้วก็ไปขายราคาแล้วแต่เขาจะตั้งให้เรา ทำได้อีกสองปีสามปีดินนี่เสียหมดจะเป็นทะเลทรายหมดต่อไปก็ต้องใช้ปุ๋ยเค okay, นะก็แม่ดีมตั้งมั่นมากเพราะกูรู้ขยันมากตอนนี้เรียนรู้เห็นไหมพอเด็กปิดเทอมกลับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจเจ้ามาัธยมไปช่วยทองโน้นไม่ชี้แล้ามีปัญหาขาดแรงงานแล้วเห็นไหมอินพอ็อดมาจากลาวดีไหม เปลี่ยนแนวความคิดใหม่ต้องทําเกษตรแบบอ่าแบบใหม่มันไม่ได้เราเราไม่กล้าคิดจริงๆแล้วพวกครูไปลงทุนแล้วลงทุนไม่ได้ยากไม่ไม่ได้เยอะเลยนะบางทีปั๊มก็ต้องใช้อยู่แล้วแค่ไปซื้อไอนาฬิกาตัวหนึ่งมาใส่ให้มันเนี่ยตั้งระดิกาใ ห, ให้มันทํางานกี่โมงกี่นาทีแค่นั้นเองตัวหนึ่งร้อยส0งร้อยบาทนะเออเราลงทุนทีเดียวที่นี้เราก็เอาเวลาเราไปทําอย่างอื่นเห็นไหม ก็เช้านี้ก็ให้ข้อคิดนะก็เปทานข้าวได้นไป